เกิดดวงตาเห็นธรรมอนะไ้ฟังคำเทศนาจากพระอสกิเพียงประโยคน้อยๆสั้นๆก็ทำให้เข้าใจทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมตามตำราวา่าช่วงนั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะฟังคำพูดอย่างนั้นเพราะผู้ที่มีปัญญามันพร้อมอยู่แล้วเนหะมือนกับว่าบัวบวทิพ น, น้ำ พอได้รับแสงอาทิตย์บานได้ทันทีเรียกว่าอุคติตันยบุคคลคนบางคนเป็นอย่างนั้นมีหลายระดับคนนะนก็บัวชีเหล่าดังที่พระพุทธเจ้าได้มียานเลงเห็นยึงเคยแพรกศาสนาะจึงออกสั่งสอ น, นก็มีอย่างนั้นชีวิตจิตใจกติปัญญาของคนเราต่างกันสารีบุตรนี่มีจิตใจเหมือนกั บัวที่พนน้ำแล้วในรุ่งเช้ากำลังจะบานพอได้รับแสงพระอาทิตย์ส่องก็บานได้ทันทีเรียกว่าอุคติกันอยู่บุคคลสารีบุตรตอนนั่นก็ไม่ได้ชื่อว่าสารีบุตรหรอกเรียกว่าอุปติสัมมนบยังไม่ได้บวชเลยแต่ว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นพระโสดาบันที่แล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาจากพระสกิ๊ ก็จะแสดงตนเป็นพุท ธ, ธรรมมามะค่ะขอพระสัชชิเข้าถึงพระสัชชิเป็นที่เพ่งที่ระลึกที่เสนณะเป็นที่เพ่งพระสัชชิเขบอกว่าอย่าเลยไม่ใช่อขอให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เึ่งที่ระลึกประธามว่าเดี๋ยวนี้พระสนะพระสมณะโคโดมอยู่ที่ไหน ก็สำนับพระดองก็อยู่น้นอยู่พรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์พระสาีบุตรกอชวนโมกขลาได้ก็พากันไปแล้วอาสวัสดีไปยังราชคฤห์รุงราชคฤห์นะพระเจ้าพิมีสารเมืองพระเจ้าพิมีสารนนอน ต่อไปแล้วก็ไปถึงพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรมเทศนาของพุทศเจ้าก็เกิดศรัทธาอันยิ่งใหญ่ก็เลยออกก็เลยบวชชวนกันบวชบคลาก็บวชสาริบวชก็บวชพอบวชแล้วการบวชสะไนั่นก็ไม่มีอะไรมากแค่ว่าเอหิพิกุปะจจมภาพระพุทธเจ้าก็ตัดกลา ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดถ้ารำไปไหนเราตัดไว้ดีแล้วท่านจงเป็นผู้พุทธภูมจันท์เธอถ้าผู้ใดที่ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยังไม่ได้บวชค่อยท่านก็ควรต้องก็ตัดว่าจงเป็นพุทธภูมิจันท์เธอถ้าผู้ใดได้เกิดดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จเป็นพระโสดาบันรือพระสกิทาสเมหรือเป็นพระลัง ท่าก็พูดอย่างนั้นถ้ายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้บรรลุถึงทำงไม่ตรงใจเหองทำก็ว่าท่านจงเป็นโอคุณธรรมให้เป็นที่สิ้นทุกข์ถือดว้วยภรวจนะของพระองเองนอกจากนั้นก็ฝนผมผมผม้าเป็นภิกษุสมบูรณ์นอกบวชสมบูรณ์อาลีบุตรโมกข์ละณนะก็ปฏิบัติศึกษาปฏิบัติไปฟังธรรมเทศนาเรื่อยๆเห็นได้เกิดเป็นพลันหัน บรรลุถึงพระรหัสผลก็เข้าถึงพระรันตนะตรัยคือพระพุธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีทุกข์กระนเพราะเข้าถึงธรรมสกุพุทธมจรให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดนั่นแหละธรรมนั่นแหละสนณะนั่นแหละเป็นที่พึ่งถึงเป็นพระรหัส น, นั่นแหละที่พึ่องอันกเกษมที่พึ่องอันสูงสุดไม่ใช่สกุล ไปพึ่งบุคคลไม่ใช่ไปพึ่งพระสงฆ์ไม่ใช่ไปพึ่งำำพระธรรมคัมภีร์ไม่ใช่ใช่ไปพึ่งพระพุทธลูกหรืออะไรหรือพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่ามาเนี่อย่างพระอืออย่างพระอะไรที่อย่างที่ว่ามาเนี่ยพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นที่เพื่อ่อเลือกมันไม่ใช่หมายถึงเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคุณธรรมไม่ใช่เข้าถึงตัวบุคคลไม่ใช่เข้าถึงวัตถุไม่ใช่เข้าถึงคิดเราที่เป็นคิดวิญญาณเหมือนกับพระพุทธเจ้ามันเป็นผีตัวหนึ่งไม่ใช่นะขอให้พระพุทธเจ้าขอให้พระธรรมขอให้พระสงฆ์เอาดีเอาดีจากผูกอ้อื่น ไม่ใช่ตั้งต้นจากที่ตัวเราไม่ใช่ขอเข้าถึงคำว่าถึงนะไม่ใช่ถือนะถือเนี่ยยังยังผิวเหิน่ต้องเข้าให้ถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออนะไรเอามาไว้ในตัวเรานั่นแหละสาณะที่ถึง่งสาระอันกเกษมสาระอันสูงสุดพราพุเจ้าถึงสาระนี้แด้ถึงคนจากทุกทางพวงได้แต่ว่าสารีบุตรนะ่ะ ก็ยังเคารพพระอัจิอยู่ตามตำราเล่าไว้ว่าพระอัจิอยู่ที่ใดอยู่ในทิศทางทางไหนสารีบุตรจะต้องพยายามให้ลูกข่าวบอกแสของพระอัจิเป็นอาจารย์องค์แรกอยู่ที่ไหนทิศทางไหนพระสารีบุตรจะต้องหันหัวหันศีรษะเวลานอนหันหัวไปทางไหม สมมติว่าทุกวันสารีวดนอนพันหิ น, นศีรษะไปทางทิศตะวนันออกพระอาจารชีอยู่ทางทิศตะวนันออกต่อไปได้ยินข่าวว่าพระอาจาชีอยู่ทางทิศตะวนันตกสารีวดนอนพันหินศีรษะไปในทางทิศตะวนันตกเป็นการขลกรัวอาจารย์ไปใช่ว่าเมื่ตอตนเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เข้าถึงคุณแล้วยังไม่ขลกรัอาจารย์ดูบินไม่ใช่ เขาลบกราบไหว้เคารบพระธรรมเคาลบตัวบุคคลไม่ใช่เฉพาะเคาลบพระธรรมเข้าถึงแล้วจ้ะไม่เคารพกันเลยมันไม่ใช่ยิ่งเคารพยิ่งเคารพยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งสมมาเคโลวะตามอุปชาอาจารยวัดตามพระธรรมวินัยที่บัญญัติมีแม้ว่าไม่บัญญัติก็เคารพ แต่เราเคารพคนพ่อคนแม่ผู้มีพระคุณต่อเราเรียกว่าบุคภกาดีบุคคลผู้กระทำความดีไว้ก่อนแล้วช่วยเราก่อนทำให้เราเฉลียวฉลาดทำให้เราเกิดมีชีวิตจิตใจใ จ, ใจโตขึ้นมาวนเกิดสติปัญญาเนีนเรียกว่าพ่อแม่อะไรต้นตัตงใจาจะว่าก็ามีอยู่ทักสามระดับ พระราชนาฏยชั้นปฐมพระ <c oughs> ราชนาฏยชั้นมัธยมพระราชนาฏยชั้นอุณ ด, ดมพระราชนาฏชั <c oughs> ้นปฐมเนี่ยครับเราสอนลูกสอนหลานก็ให้เขาได้เห็นพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติออกจากทุกข์ก็ย่อมมีกิริยาเมรยาณอนุสาม สงบเสียมเตรียมตัวเป็นแบบเป็นแบบอย่ากให้เห็นให้เห็นได้ให้สัมผัสได้แล้วก็เราก็ดูเอาเป็นเยี่ยงอยากการดูภ พ, พมโภคการบริโภคความเป็นอยู่การเสียศสละ <c oughs> สียามุณย์ญาตาิการปลูกการจาการโขกการสันการความเป็นอยู่เรียกง่ายแล้วก็เอาเป็นเยี่ยงอย่าง พระสงฆ์เป็นผู้สืบศาสนานำเอาพระธรรมคองสอนมาเป็นเยี่ยงอย่างเอามาแสดงให้ดูแล้วก็ดูเอาพรโลกเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบแผนสอนลูกสอนล้านให้เข้าถึงไปดูไปดูลุงพ่อไปดูอาจารย์ไปดูพระสงฆ์พาโลกพาเต่าไปวันก่นสมัยก่อนีปเล่นของคนของเด็กไปเล่นวัดไปดู สองปู่สองพ่อไปดูอาจารย์ทาก็ดีเรียบร้อยเราดูแล้วก็กราบไหว้เวลากราบไหว้ท่านก็ให้สินให้พรท่านก็นั่งเรียกรอยดูท่านนัง่งดูท่านยืนดูท่านเดินดูคําพูดเป็นพิยาว า, ายาเป็นสุขศาสิตไม่เพ้อฝันไม่เผยเจอไม่พูดปามแล้วก็ดู <c oughs> ดูไปแล้วก็เกิดซุมทราบเข้าไปในใจิตใจเราได้เห็นผู้ที่สงบตัวเห็นสมณะเป็นสมณะภายนอกสมณะภายในก็คือทางาด้านจิตใจของเราสมนานั้นจะทัศนังเอตมังคข ม, มุตตังเห็นสมณะก็คือเห็นภายนอกก็คือเห็นสมณะคือผู้สงบ ก, ก็ได้สมณะภายในคือเห็นจิตที่มันสงบ ก, ก็ยิ่งดีมันเป็นทั้นอุดมไปแล้ว ทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในแม้แต่คนทานก็เหมือนกันทานภายนอกก็คือคนนักเลงการต น, นั้นนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงเที่ยวกลางคืนนั่นแล้วคนาทานภายนอกคนทานภายในก็คือคิดไม่ดีการคิดที่ไม่ดีนะความโกรธความทุกข์ตอนคนทานไปนะอันนี้มันท่านอุดมท่านผสมต่างกันอย่างนี้นีน่ แล้วก็ดูดูได้ชสมนะเห็นนักบวดผู้ที่มีศีรษะเฉลิมวัดได้เพราะนี่ธรรมวินยัยเป็นวัดปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติตามทำให้ไหนเขาทาให้งามทําให้งดงามทําให้น่าดูครับนะแล้วก็ดูเราก็เคารพเราก็ส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือถ้าทำคําสั่งคําสอน จะเป็นตํำรับตําราก็ตามจะเป็นคำภีก็ตามเราก็ควรที่จะคารเหมือนสักเช่นเวลาใดมีพูดเทศนาสั่งสอนเรายืนอยู่เราอาจจะนั่งลงแม้นว่าเรายังไม่รู้อะไรคือเคารุกกระทำเป็นนั่งหลงปนมมือหัดตัวเองนั่นแหละฝึกหัดตัวเองแล้รู้จับคารุกผู้จักกาละเทศะรู้จักฟัง เราจะเงี้ยงหูฟังเรายังไม่มีธรรมในใจแต่ว่าเราก็จะเงี้ยงหูฟังเงี้ยงหูฟังคำคําที่สั่งที่สอนพัลลภพัลลภการฟังนั่นแหละใจการฟังนี่ก็เรียกว่าชั้นปฐมฟังแล้วก็มีหนังสือตำรับตำราก็จะไปเหยียบจะไปคาบยกไว้ที่สูงเก็บไว้ให้เป็นระเบียบพัลลภ จิตใจของตอนเองเนี่ยกันโถมความอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเดีย๋ยวนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่มีชีวิตก็มีพระพุทธลูกเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นเอ่อเป็นพระปฏิมาคู่เทียมคือแทนนะว่าพระพุทธปฏิมาคือเทียมคือแทนนะว่ะะาทแทนพระพุทธเจ้าขลกุกแม่แต่เป็นพระลูกก็ขลุก ว่าดูลักษณะเขงดงามสงบเราไปเห็นเราก็ใจมันสบายดูดูหน้าของพุทธลูกเอออิมนีความสุขสงบแล้วก็กราบไหว้กราบไหว้นั่งสงบเวลาใดที่จิตใจเราล่อนดูพระพุทธลูกอยอู่บนหิ้งพระของเราก็อายครับอายพระพุทธลูก เวลาเดินผ่านไปมาก็อายสังรวมอย่านุ่งห่มอย่า อ, อพูดเผลอเจอให้หรู้จัดสังรวมทะ่ะแม่แต่ เ, เป็นพราะว่าลุเคาลุกหรือเหมือนกับเราเขาลุกพ่อแม่พราแม่เราล้มหายตายไป <c oughs> แต่มีลูกของพ่อของแม่อยู่นั่ น, น, นประตูบ้านของเรานะอยู่ที่หัวนอนของเราเราเขาลุกเวลาใดเราทะเลาะกันเราโกรธเราก็ อายพ่ออายแม่ที่นั่งอยู่นั่นอ่างนี้นก็รูปอยู่ในรูป mm. ก็ให้เป็นสัญญาเตือนจิตสะิตใจได้อายซะอายท่านจะอายพ่ออายแม่ซะ mm. ทะเลาะกันทําไมพี่น้องเนะพราะแม่เราตั้งแต่มีชีวิตอยู่ไม่ได้สอนให้ทะเลาะกัน mm. ท่านบอกโจ mm. ทย์โจทย์ร้างหัวมันสร้างหัวมันเอาโมลูบหลังเราสร้างหัวมันเถอะท่านก็บอกเแล้วก็สํานึกใจเสมอแล้วก็อาย เคารพแม่แต่พอแม่ไม่มีชีวิตแล้วก็เคารพเคารพลูกของพ่อของแม่เรายิ่งพระพุทธเจ้าเราก็ยิ่งเคารพไปก็เป็นครูเป็นบิดาของโลกเป็นพระลุงหมกครูเป็นาศาสดาเป็นผู้ลูกกอนเป็นผู้คนพบทําไมเราจึงจะไม่เคารพแม่จะเป็นเป็นลูกเราก็เคารพลูกพอะพุทธลูกเราก็เคารพนี่สอนนะเนี่สอนท่านปฐพิธท่านอุดมก็มาละแบบ เอามาฝึกหัดปฏิบัติแล้วบะไรที่เป็นคาสอนให้ละความชั่วทำความดีอันนี้นะเข้าถึงแล้วนีะ่พยายามนะพยายามศึกษาแล้วนะปรับสงแก่ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนัะ่สิ่งใดที่เป็นอกุศลก็จะเลินแล้วบนะ่เอามาไหวให้มีอยู่ในชีวิตเราแล้วบนะสิ่งใดที่เป็นอกุศลคนละแล้วบนะ ธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นแม่ธรรมที่เป็นบิดาของกุศลทั้งหลายก็คือความรู้สึกตัวในพระสูตรตริตตว่ะสติเนี่ยความรู้สึกตัวเปรียบเป็นรอยเท่าของชางย่อมใหญ่กว่าเรารอยเท่าของสัตว์อื่นเอารอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงได้ในที่รอยเท่าของชาญธรรมทั้งหลายมารวมลงที่นี้ที่ มีความรู้สึกตัวคือความไม่ประมาทเรียกว่าประม า, าทธรรมก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยดังที่ประโมคลาดไปถามพระพุทธเจ้าทำไงความตายจึงจะิตามไม่ทันพระพเจ้าก็ตรัสว่าเธอจงมีสติทุกเพื่อมาสุราชจะตามไม่ทันนี่คือความไม่ประมาทประมาทเทนะสัมปาเทถาเป็นการสรุปความสอนพระพุทธองค์เทศนาสั่งสอนมาทั้ง ป, ปีสิบห้าปีก็มาสรุปลงที่นี้คำสอนทั she ้งมากมายแปดหมื่นสี่พันเรื่องก็มารวมลงอยู่ที่ความไม่ประมาทในปจิโมวาดปจิมโพธิการพระปรดองก็สรุปให้สรุปให้อย่าประมาทนั่นแหละสรุปให้น้อยลงมาก็ละความท่วข์ทำความดีกิตบริสุทธิ์นั่น โอวาสพระปฏิโมกย์ย่อที่สุดที่สุดคือย่อลงมาเป็ ค, ความไม่ประมาทนะสรุปลองให้พวกเราคู่พี่เกิดสุดท้ายไปหลังรวมลงอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็จึงเอามาศึกษาให้มีให้มีและไวในเราให้เข้าให้ถึงไม่ใช่ถือพรัตนาัยไม่ใช่ถือพรัตนาใจคือเข้าให้ถึงให้มีอยู่ใน กายในใจในวาจาของเราในตัวของเราทั้งหมดเอามาพุทธวัดปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นกาลังศึกษาอยู่นี่เวลาใดมันหลงก็เปลี่ยนให้มันรู้แต่ว่าเอามาปฏิบัติกับมันเวลาใดมันโกรธก็เปลี่ยนให้มันโกรธเวลาใดมันผิดก็เปลี่ยนให้มันถูกเปลี่ยนความร้ายกลายาเป็นความดี เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกทำความดีให้มากภาวานาสิทำความดีให้มากความดีก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยครับมาศึกษาออกมาปฏิบัติแล้วกันอมาไว้ในตัวเราแล้วกันอุปการปฏิบัติให้มีให้เป็นแล้วันทำให้ได้ทำให้มีแล้วกันรู้สึกกระลิ์ได้แล้วกันเนีเอาพลัาตตะไตนไว้ในเรา คุณธรรมอันไดที่เป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลเอกมาไว้ที่นี่หมดเจนดังที่พูดว่าในพระมงคนนลสูตุตัดว่าเสวนาจะพาละนังบันติตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตมังครคงอุตมังมันเป็นคําพูดการไม่คบคนผานการครบบันติตนั้นบางทีเราอาจจะมองทังห่าคนผานก็คือนายกนายขอเป็นนักเลงบางที่ว่ามา อันนั้นก็ใช่ใช่อยู่แต่ว่ามันเป็นคนผ่านภายนอกแต่คนผ่านภายในเนี่ยความโกรธความคิดความหลงเนี่ยความโลภมันเป็นคนผ่านอย่าไปครบกับสิ่งเหล่านี้มันเกิด อ, อยู่กับเราเนี่ยเวลาใดที่เราหลงถ้าหลงมันก็ไปแล้วบ้านนี้ถ้าโกรธได้มันก็โลภได้มันก็หลงได้คิดสิ้นติดธรรมได้อย่าไปครบกับความหลง <c oughs> ให้ครบกับความรู้สึกตัวการครบกับความรู้สึกตัวเนี่ยครบบัณฑิต <c oughs> ไม่ใช่บัณฑิตคือที่ไหนคนภายนอกก็ใช่ตอาจารย์ที่ท่านสั่งท่านสอนก็ครบได้เหมือนกันครบได้แต่ท่านให้เราไม่ได้เราต้องทาเอาเองเอามาไหวในตัวเราคนอื่นให้เราไม่ได้โดยเฉพาะความดี บุญกุศลก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันให้กันไม่ได้ต้องทำเอาเองนี่แต่ท่านบอกบัณฑิตท่านก็บอกก็สอนพรบบัณฑิตพาไปหาผลคนคบคนชั่ววะให้ยากจนอนั้นก็ใช่แต่ถ้าเรามีความดีแหละจะคบกับคนผานภายนอกก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาตัวรอดได้มีสติมีปัญญาเอาตัวรอดได้ก็ บ, บัณฑิตก็ยิ่งไปเติรแล้วาเป็น สิ่งแวดล้อมที่ช่วยเหลือให้เราเกิดสติปัญญาเพิ่มขึ้นไต่ถามท่านให้รู้สิ่งใดก็ควรไต่ถามท่านผู้รู้ก็เป็นธรรมดาเราเคารพเหมือนกันเ่ะรบแสวงหาครูอาจารย์เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีก็แสวงหาครบกับความดีครบกับความถูกต้องชอบธรรมที่มีอยู่ในเราแต่คิดชั่วจะพูดชั่วจะทําชั่วครบบัณฑิตมาไหวในเราแล้วบบ สิ่งดสิ่ที่เป็นความชั่วแม้แต่คิดก็ไม่คิดหรอนี่บัณฑิตแม้แต่พูดก็ไม่พูดทําก็ยิ่งไม่ทําเพราะมันไม่คิดอยู่แล้วมาไว้ในเราเลยกำลังฝึกขัดอยู่นี่กําลังเดินอยู่นี่กําลังก้าวไปอยู่นี่กําลังทําความดีอยู่นี่ฝึกผลตนเองมีความรู้สึกตัวมีสติมีสมาธยะอย่าอยู่กับความรู้อย่าอยู่กับความหลง จัดสรรชีวิตของตนเองให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยเอามาไว้ในเรา เ, เป็นอย่างที่ว่ามาเนี่ยพระเจ้าคือพระคุณพระธรรมเจ้าก็คือพระคุณพระสังฆเจ้าก็คือวัดปฏิบัติที่ดีหรือเจ้าก็คือยังไม่เมตตากรุณามีเมตตาที่ ค, คุณกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณเอามาไว้ในเรา พยายามทำให้มีให้มันเกิดขึ้นมเมตตากรุณามีความบริสุทธิ์ใจทำอะไรให้มีความบริสุทธิ์ใมืถือสาปากือศีลไม่ใช่ต่อหน้าฉันรับเสรินรับหนังทั้งนินทา แ, แต่คิดก็ไม่กลา้าเพะเรามีคุณนัน้นทเอาคุณธรรมมาไว้ในเราควดโทรกับผู้ลูกผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบาน ความโลภความตื่นของเบิกบานให้มันอยู่ในคิดใจในชีวิตคิดใจของเราอะรหังก็คือผู้ไกลจากกิเลสกิเลส ก, ก็คือความเศร้าหมองของจิตใจความโกรธมันเป็นเครื่องเศร้าหมองให้มันไกลออกจากสิ่งเหล่านี้พยายามยับยั้งจังใจจะให้เป็นโทสะจริตโมหจริตราคะจริตโลพาจริตให้มันไกลจากสิ่งเหล่านีแ้แต่คิดก็อย่าไปคิด ชัน้นประ ด, ดุลชั้นมัธยมเอาม า, ามาฝึกคัดแต่มันไกลจากสิ่งเหล่านี้หลังไม่ใช่หอเหินเดินฟ้ า, าหลังก็คือพวกไกลจากกิเลสคือความทุกข์สิ่งใดที่ทําให้เกิดทุกข์พยายามไกลออกไปก็ธรรมดาคนมีความรู้สึกตัวนี่สติมันก็ย่อมไปไปอะไรไปจากความไม่รู้ไปจากความหลงลกิเลสต้องเกิดจากความหลง ชีวิตของเราก็มีอยู่สองทางคือหนึ่งรู้ตัวสองหลงตัวลืมตนถ้าหลงเราก็เกิดโกรธโดกหลงไปได้ใคราจจะว่าเราตัวหลงมันใหญ่มักนกว่านิ้วมือของเรานิ้วมือของเรานิ้วนางนิ้วกลางนิ้วขีน้นิ้วกลางเนี่ยมันย่อมย่อมสูงกว่าเขามันอยู่กลางหรือว่าโมหะถ้ามีโมหะตัว ก, ก็ได้มาทางนิ้วขี้ก็ได้ไปทางนิ้วนางก็ได้ โลภะก็จะเปรียบทางนิ้วชี้เป็นโทสดะเนื้อนางเนื้อนิ้วนางเนี่ยเป็นโลภะนะตัวโมหะก็คือนื้อกางเนี่ยมันมันใหญ่มันอยู่ตงกลางถ้าหลงเราก็กลัวก็ได้ถ้าหลงเราก็โลภ ก, ก็ได้นึ่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวหลงเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดกิเลสตัณหาหลาะความสอบ ม, มองกิเลสไม่ใช่ครอกลัวไม่ใช่ลูกเปีย ไข่ไ่จับไข่่เงินทองไล่นาอะไรอันนั้นมันเป็นปัจจัยที่จะต้องใช้และจะต้องแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ยังบอกให้เราขยันสถานะสัมปทาถ้าคนใดอยากมั่งอยากมีก็ให้ขยันไม่ได้ว่าเป็นกิเลสสถานสัมปทากัลยาณมิตตาสมสีวิชีวิตตาอรหะสัมปทาขยันหา ออกมาแล้วก็รู้จักรักษาอยาสุรุยสุร่าแร้งขาบมากค า, าบหนีได้ห้าจินสิบมันจะมีได้ยังไงพระเจ้าก็ยังสั่งยังสอนมีกัลยาณมิตรตาอย่าพ่อบ้านแม่บ้านอย่าเป็นคนทุกศีลอยา่าแร้งขาบมาค า, าบหนีกัลยาณมิตรก็คือแม่บ้านผอบ้านถ้าพ่อบ้านเป็นคนนักเลงเจ้าชู้นักเลงกัรพ น, นั้นนักเลงสุลามันก็หมดแล้ววัน แม่บ้านก็เป็นนักเลงอะไรสารพัดการพนันมือนกา ร, ร, นานการครบชู้คบอะไรต่างๆแลวก็แลงข้ามม า, าขา้ามไปไม่ไม่มีเลยวะราคาสมถะไม่รู้จักรักษ า, าการเลี้ยงชีวิตก็สุรุ่ยสุดล่าทั้ก็ไม่มีพระเจ้าไม่ได้ว่าเป็นกิเลสยันหานะก็แบ่งหาไม่ได้ก็แบ่งเป็นสามส่วน เรืงครอบเรื่องครัวให้อยู่เป็นสุขแต่หนีเกินไปจนเกิดโลขาทาหารกลัวมันจะหมดเอามาไหวเก็บไหวของคูของกูเพลงก็เดือดร้อนใน่ารแล้วก็เลยจับบุญให้ทานเ่สระแบ่งปันคนที่ทุขใจยากจนมันเป็นมันเป็นชีวิตอันหนึ่งการการให้มันเป็นความสุขลึกๆ มันเป็นความสุขหรื อ, รอต้องทําความดีถึงได้ที่เราทําลงไปมันเป็นตรามันเป็นเลนมันเป็นภาพเลนที่มันถ่ายเอาไว้เราทําดีแล้วคิดถึงความดีที่เราทําแล้วโอ้มันสบายช่วยเหลือคนนั่นช่วยเหลือคนนี้ก็ให้มีไม่อาชีพมีความหวังบ้างถ้าเกิดมาไม่ได้ทดําดีไม่ได้ทดําดีมันก็อาภัพแล้วกินวิญญาณมันอาภัพมีแต่เอามีแต่เอ า, ไ ม, เอาไม่มีความภูมิใจ ถ้าเอามันก็ยิ่งเหงืออแห้งนะ่ะโดยเฉพาะเรื่องกิตเนี่ยนะมันเหงื่อมันแห้งมันไม่รู้จะพอมาเอานะมันเอาไม่ได้กิตนี่ยนะหลุดลดกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์การได้การเสียนินทานสละเสริญอย่าไปครองมันวันนี้มันเป็นโลกมันเป็นสมบัติของโลกมันมีใครครองมันได้ถ้าใครไปงครองๆหลุดลดกลิ่นเสียงการได้การเสียสุขทุกข์เนี่ยผิดหวังนะถ้าเกิดจนตายเนะี่ยผิดหวัง เป็นคนกระทบกระเทือนอยู่เรนะื่อยเละทรุดโทรมง่ายจิตใจที่กระทบกระเทือนาอายุก็ไม่ยืนเก็บไข้ได้ป่วยต้องดูจักวางใจนี่ต้องวางอืมเอาไม่ได้ต้องทำบ้างมีอะไรก็ช่วยก็ช่วยไปคําพูดก็ยังดีเวลาใดที่เปื่อนมิดเป็นทุกข์มีปัญหาก็ช่วยเป็นมิดในยามอ่ขัดฉนในยามความทุกข์ แนะนำพ่อมซ้อนเห็นอกเห็นใจแต่เมื่ใครที่เท่าไหลเห็นใจวัตถุที่ยากจะช่วยไปสงเคราะห์คนยากไหลเห็นใจสงเคราะห์พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แจ๋สาธรณนะออะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยในทางศาสนาศ า, นา ส, า น, าสานาวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลศาสนาธรรมก็ให้มีว่ามาจากต้นไม้ที่มีเปลือ ศาสนาพิธีก็เหนั้นกับเปลือกก็แสดงออกบ้างไ่ายพระรับศีลเปลือกมันก็จําเป็นมันก็ต้องมีต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกมันก็คือต้นไม้ที่ตายมันไม่เจริญมันไม่ออกลูกก็ต้องมีบ้างศาสนาพิธีพิธีทําบุญวิธีให้ทานวิธีรักษาศีลคํำพูดคำจาจแสดงออกสมมาลาวะนลาวน้อมเก้าดําหัวกราบไหว้มีบ้างแสดงออกทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟัง ศาสนวัตถุก็สร้างบ้างพอสมมาพอควรอย่าหลงอย่าไหลให้พออยู่ได้พอสะดวกศาสนาบุคคลก็มีเพระสงฆ์ก็เคารพบ้างบำบ u ง o ให้ให้ความสะดวกพระท่านก็ทำหน้าที่เราก็มีบ้างช่วยไปบ้างศาสนธรรมก็ยิ่งให้มีในเราสัตว์นี่ศาสนธรรมแล้วความไม่โกรธเป็นศาสนธรรมแล้วความไม่ทุกข์ความไม่โลภศาสนาธรรม เข้าถึงตัวนี้ให้ได้มากกว่าการเข้าถึงศาสนาอย่างอื่นว่ามีตัวนี้ม่นมีศาสนาธรรมคือแก่นมันก็ต้องมีเปลือกซ ะ, ะกมันเข้าถึงแก่นก็ได้ต้องได้ทั้งหมดได้ทั้งเปลือกได้ทั้งกับพี่แล้วเข้าถึงเฉพาะเปลือกไม่เข้าถึงแก่นมันก็ได้เปลือกมันก็ไม่ทนทานเป็นสุขนิดหน่อยเป็นบุญนิดหน่อย <c oughs> บุญไม่ถาวรมั น, นแตเราเอาเปลือกมา่ไปสร้างบ้านก็ผุกก็พังได้ ใช่เป็นเกณฑแล้วก็ทนทานคือจนไม่โสดไม่โลกไม่หลงไม่ทุกข์ตัวเนี้ย <c oughs> ไม่ทุกข์ตัวละบัตรนีน่ระดับมัธยมต้องฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะเรื่องกิจเนี่ยถ้าไม่ฝึกฝนดูดไล่มันดูดไล่มากมันไล่กว่าสัตว์ถ้าไม่ฝึ ก, ก, ต, กต้องมีศีลนั่นแหละสัมรวมบ้างอืัดสัมรวมกายวาจาใจแต่ห่วยให้มันคิดอะไรเลอะเทอะ ปวดใจก็สํารวมนะวัลระวังเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นจะคิดสิ่งใดก็อย่าคิดให้เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นจะทําสิ่งใดก็อย่าไปทําให้เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นจะพูดสิ่งใดก็อย่าไปพูดให้เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นบางทีคําพูดนี่นะคําพูดนี่มันอ้มชีวิตของเราไว้ได้ทําให้เสียเงินก็ได้ทําให้เขารักก็ได้ทําให้เขาโกรธก็ได้ทําให้เขามาฆ่าก็ได้ทําให้ได้เงินได้ทองก็ได้คําพูดเนี่ยนะ พูดให้ได้เงินก็ได้พูดให้เขารักก็ได้พูดให้เขาฉ ล, ลาดก็ได้พูดให้เขาโง่ก็ได้พู ด, ดหให้เขาโกรธบางทีคาพูดคำเดียวมัอนตาหมอทําให้เขาฆ่าได้ก็สําคัญเหมือนกันสําคัญเหมือนกันคาพูดโดมชีวิตของเราไปได้ก็สัมบูรวมระวังการเข้าหาบุคคลเชนเน็นจะควรพูดอย่างไงทำอย่างไงนั่งอย่างไร อบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าจะพบผณฑิตสมอไปบางทีพบคนผ่านโดยเฉพาะผู้มีศีลอใช่สงอาราศีอยู่ในกลุ่มของคนผ่าน <c oughs> ถ้าเรามีศีลไปอยู่ในกลุ่มของคนผ่านแสดงเป็นผู้มีศีลอันตรายเหมือนกันนะแล้วก็ิหลาดมีศีลนี่ก็ต้องมีฝความฉลาดเป็นอย่ญญางด้วยอฉลาดนะศีลไม่ใช่ศีลแบบรับจ้างไม่ใช่ศีลแบบโ ง, โง่ นัหลับตาไม่ใช่สิ่งจรินต้องฉลาดเวลาจะทํำยังไงเมื่อไปอยู่กับคนเรานี่จะทํำยังไงจะพูดยังไงจะนั่งอย่างไงก็ฉลาดนุมนี้ก็ต้องมีต้องศึกษาต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องซึ่งกันและ ก, กันเจะข้องกับคนพานยังไงเจะข้องกับบัณฑิดยังไงผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้ประชาอาจารย์คุณพอ่อคุณแม่ แสดงออกแล้วก็ต้องมีไม่ใช่จะมีแต่ศาสนธรรมยิงไปเลยเอาตัวรอดคนเดียวไม่ใช่แต่ยังมีที่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมสั่งสอนกันบ้างทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟัง <c oughs> ช่วยกันบ้างมันวางโอกาสถ้าไม่มีอะไรทําจะเลิกมันก็เหงื่อแท้งนะชีวิตเหงื่อแท้งชีวิตศูญเปล่าอม ทำไปว่างชวยเหลือเจ้าจาร์กันไปบางนี่ศาสนธรรมเอามาไว้ในเราเอามาพิจารณปฏิบัติให้เข้าให้ถึงให้มีสติสัมปชัญญะในความรู้สึกตัวละความชั่วทําความดีโดยเฉพาะความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ละความชั่วมันก็ทําความดีกิตต <c oughs> ิมังกริสุิจินั่นแหะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการ มันเป็นวัดปฏิบัติันมีความรู้สึกทวมกับไฟเราไฟจากไหนไฟจากความหลงมาโดยแท้ทั้งที่ว่าแล้วว่าอีกคิตก็มีสองอย่างตัวรูก้กับตัวหลงเราเกิดมานี่ยเราอยู่กับตัวหลงหรืออยู่กับตัวรู้ถ้าหลงก็ไแล้วหลงพาไปแล้วปแต่รู้มันก็ฉลาดเราไปจากความหลงเราไปก็แสงอ่ะดีอ่อนแสงตาทิตย์ แสงดีอ่อนก็สว่างแ น, น่นอยแต่แสงกระทิดก็รู้แจ้งโลก น, นี่เหมือนกันความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็แสงสว่างทําให้เราได้เห็นแจง้งเกิดความเห็นแจง้งจนในที่สุดนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จเจริญถึงที่สุดคนละความชั่วทำความดีคิดก็บริสุทธิ์ทำทาให้จิตใจมันเปลี่ยนกันย่งไรเปลี่ยนล้ายกลายเป็นดีกันล เปี่ยนติดตายเป็นถูกไปแล้วเปลี่ยนหลงกลายเป็นลูกไปแล้วอยู่คนละ ม, ม, มุมเลยมันลงไม่ได้แลยสมัยก่อนเราคิดเจอนความคิดเนี่ยมันคิดอะไรก็ได้ <c oughs> เราไม่เคยดูความคิดตัวเองแต่พอมีความรู้สึกตัวมันได้เห็นเห็นความคิดเห็นอะไรทุกอย่างเหนกายเห็นเวทนาเห็นอิจเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ลูกแก้งไปแล้วเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับอาการอาการของ กายอาการของใจอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรู้จักแยกเลยความปวดความมั่ยความร้อนความหนาวรู้จักแยกเลยมันรู้จะแยกออกเลยเมื่อก่อนมันมีตัวมีตนทั้งหมดแต่นี่พอมีความรู้สึกตัวมันจะเห็นแจ้งแต่ว่าเห็นแจ้งคือเห็นผิดเห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์แล้วนะพอเห็นแจ้งเรียกที่เรียกว่าวิปัชนานะคือการเห็นแจ้งเห็นผิดเห็นถูกเห็โกรธเห็นโลกเห็นล้อยะไรน ถ้าเห็นแล้วมันก็หลุดพ้นมันก็ปลอดภัยมันก็ตาของเราที่มันเห็นรู้แจ้งโลกก็คือรู้อย่างนี้เห็นเป็นในกายในใจของเราอะไรที่มันเป็นที่เป็นไฟอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันก็เห็นมันบอกเราเพรางว่าเราลืนตาข้นมอดูโลกก็เห็นเราตาเนื้อมันเห็นเป็นเง่โง่ก็ไม่ได้เป็นน้าก็ไม่ต้องไปเหยียบน้ําว่าตาในดวงตาในของเรา ถ้ามัานมีถ้ามันลู่บางๆก็ๆ เ, เห็นแจ้งนะมันจนไรมันหลอกไม่ได้แลน ะ, ะรู้เรื่องกายรู้เรื่องใจรู้เรื่องลูกรู้เรื่องนามรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องสมมุติรู้เรื่องบรรัญญัติมันก็เห็นแจ้งไปเรื่อยเยห็นลาดไปเรื่อยออกจากทุกข์ออกจากความโง่หล ง, งงมงายไปเรื่อยเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระ พ, ระทพทุทธเจ้าจริงไม่ใช่อยู่ที่เปลือกบางทีเราเป็นหลงในสมมุติ เราไปบำรงกับบำรงกันจริงๆหลงบางทีศรัทธาอย่างเนี้ศรัทธาตัวบุคคลขนไปให้หลังไหลาตามกันไปไปบำรงไปเคารพบุคคลเดีวกัไม่ใช่เคารพพระธรรมเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระอริยสงฆ์คือคุณธรรมศ ร, รมัทธากับขนไปกองให้ขนไปกองให้ค น, นให้ผู้ให้คนเดียวกัน ไม่เหมือนข้างพระพุทธเจ้าสมัยก่อนถ้าผู้ใดเข้าถึงพระรันาตานตเขียนภาษาริบบุพรโมคคัลลานะในพระสูตรได้อ่านในพระสูตรพระสารีบุตรโมคคัลลาน ะ, น, ะ, ะ, าะานะ น, นี้ผ่านก่อนพระพุทธเจ้าในผ่านก่อนพระพุทธเจ้าพอพระสารีบุตรโมคคัลลานะนี้ผ่านไปล้วพระพุทธเจ้าก็อุทานคิดโอ้ยสมัยก่อนนี้ถ้าได้ยินสารีบุตรอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทมั่นคง โอคนลาอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทมัน่นคงคนะเพราะว่าพุทธบริษัทมั่นคงก็คือคนมีคุณธรรมนะสารีบุตรอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทมั่นคงดีมีศีลมีธรรมไม่สะเลาะไม่มีวาดไม่หลอกลวงไม่อะไรนั่นเพราะเพราะอะไรเพราะเขาเข้าถึงธรรมสารีบุตรสอนอเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้อาจารย์บางลกูกพระสงฆ์บางลกูก อูที่ไหนเพราศรัทธาก็ทําทให้เขาโง่หลงไปเสียแล้วพึ่งสิ่งอื่นไปเสียแล้วันที่หายลูกของตอนเองรุ่นนั่นรุ่นนี่ไปเสียแล้วจะมั่นคงได้ยังไงคนอย่างนั้นมันไม่มีความมั่นคงถ้าพึ่งคนอื่นเอาดีจากคนอดีแต่นี่มันเป็นอย่างนั้นาศาสนาหลวงพ่อหลวงต า, ตาศาสนาอาจารย์ของเราไปเสียแล้วจะมั่นคงได้ยังไง ก็ยิ่งหลงไปเลยล่ะได้เครื่องรางของครั้งรุ่นกูให้มึงรุ่นกูทําเองเอาไปเราไปคิดว่าเขาจะยิงไม่เข้าแทงไม่เข้ามันก็ผิดแหละดังที่พูดมาเขายังยิงอยู่เขายังควันอยู่จะเป็นคนดีได้ยังไงต้องมีคนทำต้องเป็นคนดีให้มาฆ่าให้เขาถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์คนดีเขาจะฆ่าเลยถ้าเขาฆ่าเป็นจำเป็นแล้วมันก็ห น, นี้ไม่พ้น ลลถ้าหลบหลีกถ้าหลบหลีกไม่ได้ก็จําเป็นแต่เรารับรองเราไม่ได้ตายหงไม่ได้ตายหงเราลู้อยู่เราเป็นกีฬาแล้วเราฝึกเข้าถึงจริงๆนะเป็นถึงชั้นอุดมนะมันไม่มีหรอกคําว่าเกิดแช่เจ็บตายแค่จะนั่งอยู่อย่างนี้เอาปืนมายิงก็ไม่เชื่อว่าตายหงรถพาคว่ำก็ไม่เชื่อว่าตายโหงเพราะมันลู้อยู่แล้วมันเหนืออยู่แล้วมันไม่มีแล้วมันเป็นกีฬาแล้ว มันตายเล่นอยู่แล้วอันนั้นจะไปกลัวอย่างไงบางทีผู้หักผูให้หลวงพ่อบางคนเกจีอาจารย์ยาบางคนเอามืออ่าเคาะกระหมอ่อมให้สินให้พรจะเป็นคนดีก็ได้หลงอย่างนั้นดีมันต้องทำเอาเองไม่ใช่คนอื่นให้คนอื่นให้เป็นดีปลอมๆแล้วดีจากคนอื่นมันไม่ใช่ ต้องปฏิบัติลงไปทีกายที่วาจาที่ใจต้องเป็นคนดีต้องชื่อสัตวต้องสุดจริตต่อชาติบ้านเมืองต่อชาติบ้านเมืองต่อผู้ต่อคนอ่นขาข้าราชการบางคนยังเป็นหลงแล้วก็น่าอายไม่มีความมั่นใจแย่ดีจากคนอื่นนี่เข้าไม่ถึงศาสนาธรรมเป็นชั้นอุดม ในแต่ชั้นปฐมมันก็ยังใช่ไม่ได้ต้องให้เจริญถึงชั้นอุนดงทุกคนต้องมีดีเลยเนะี่ยทุกคนต้องมีดีทุกคนต้องเป็นคนดีถ้าเข้าถึงพรัตนาใยจริงๆนะคนเป็นคนดีมันก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเป็นคนดีนะจะมีจะต้องไปขออะไรที่ไห น, นทุกคนปฏิบัติ ด, ดีเดินถอนนห น, น, นทางก็รดกฎจราจร น, นั่งอยู่ที่ไหน ยืนอยู่ที่ไหนใช่ชีวิตอยู่ที่ไหนมีประโยชน์อย่างที่เขาว่าอคนโง่มันก็ไก่ยืนอยู่ที่ไหนถ่ายที่นั่นกินที่ไหนทิ้งที่นั่นนั่นมันไม่ใช่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบต้องเป็นคนฉนลาดอยู่ที่ไหนทําให้เกิดประโยชน์ที่น่ะดูแลรับผิดชอบออืไม่ใช่จะคิดเอาลัดเอาเปรียบ นนมันมันจะให้พระเจี่ยอาจารย์สิทธิ์นำมนต์พ่นน้ำมันได้เครื่องรางของครั้งม้ามันก็ยังไม่ดีหรอกยังเป็นชั้นปฐมอยู่เข้าถึงชั้นผุ้ดมจนมันถึงว่ามไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย้็เข้าถึงจริงๆศึกษาเข้าไปจริงๆเอาพระพุทธธรรมประสงค์คนทั้งหมด่ะมาอยู่ที่ตัวเราไม่มากอยู่ที่กายที่วิชาที่ใจของเรา นีรียว่าพัฒนาไตมีทั้งสามระดับถ้นหลุแล้วก็คือชั้นปรถมชั้นอุดมชั้นมัธยมชั้นอุดมชั้นประถง ก, ก, ก็มีเลือกว่าสั่งสอนโลกเต่าเหล่าล้านทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นพูดให้เขาฟังทำให้พูดสอนพูดสั่งโดยเฉพาะพ่อแม่ต้องเป็นครูคนแรกนั้นถ้าเาให้ดูอย่าไปทะเลาะกันดูไเห็นในที่ไม่ดีอย่าไปจิ้นเ้าอย่าไปสุบุญลี จะทำแสดงความโง่หลงงมงายจะมีจุดดอนให้ลูกให้เต่ามันเห็นต้องเป็นที่พึ่งของลกูกของเต่าเฉลียวฉลาดทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นทั้งพระพรมมีความเมตตามีความกรุณาบ <c oughs> ิดามารดาต้องมีคนนะบิดามารดานี่ยบิดามดารตาเลยหมายถึงคุณลักษณะผู้ให้ผู้นับดังที่ใ น, ในพระสูตรทางกล่าว คนนับอะไรนับลกูกหนึ่งคนสองคนสามคนผู้ให้ก็คือให้ ด, ดูดให้ดื่มให้กินกินนมกินเลือดของตอนเลือดในอกกอดลกูกอุม้มลกูกผู้ให้ดืม่มผู้ให้เลี้ยงผู้ให้ชีวิตนมมก็คือเลือดของแม่นะแต่ว่ามันก่อนที่จะให้ลูกดื่ ม, มก็ต้องเป็นน้ำนมเป็นน้ำที่บริรสุทธิ์สีขาวก็คือเลือดนะลองหยดน้ำนมไปวางใส่แดดดูสิ น้ำนมสีขาวจะกลายเป็นสีแดงเลือดไปทันทีถ้าลูกไปดื่มเลือดก็ไม่ใช่ก็ดื่มน้ำนมที่บริสุทธิ์นะคพอแม่ก็ต้องแต่นี้พอแม่ก็ไม่อยากเป็นสภาพแบบนั้นไม่อยากนับนับหนึ่งคนเดียวก็พอแล้วไม่อยากนับอีกถ้ามากกว่องแล้วกันคือไม่อยากเป็นจริงแม่จะอุ้มลูกให้ดูดนมก็ไม่อยากอุ้ม ใ้แต่เลี้ยงก็ไม่อยากเลี้ยงต้องให้คนใช้มาเลี้ยงฮะคนลงไปเนีไม่ได้ไม่ได้เสียสละจริงจลูกก็ดูดนมบวมนมควายไปสิละพ่อแม่ก็ไปเรียกร้องให้ลูกเป็นคนดีก็เป็นไปไม่ได้มันต่างกันแล้วมันต่างกันกับสมัยก่อนเกณฑ์ให้ลูกเป็นคนดีแต่พ่อแม่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นตามที่ปักมาตา คือผู้ที่พูดที่นับผู้ที่ให้ดื่มผู้ที่กอดลูกใสอกลูกกลัวเวลาใดมันคิดถึงอกแม่ี่เวลาใดมันคิดถึงอกแม่เดียวนี้เวลาใดมันเหี่ยวก็ถึงขวดน้ำนมถึงพี่เลี้ยงร้องให้หาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงดูถ้าผู้พี่เลี้ยงดีก็ดีไปพี่เลี้ยงไม่ดีก็ดูไล่ไปมันเป็นอยู่อย่างนั้นตัววันนี้ท่านคนเราอย่งมีการเปลี่ยนแปลงไป เลยพอแม่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราต้องรับผิดชอบผิดชอบเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงลูกให้มันดีๆให้มันทําเป็นพระพรหมเป็นเทวดาเป็นพระนั่นแหละเป็นครูนั่นแหละพอแม่ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแี่เนก็ไม่ใช่เป็นครูหรอกบางที่ครูครูไม่ค่อยดีแล้วกลับบ้านทีใดก็เมาเข้ามาได้กลิ่นเหล้าได้กลิ่นบุหรี่ ที่ลูกนอนอยู่ก็หาย ใ, ใจไม่อิ่มเพราะพ่อสูบุรีกินก็กินอากาศไม่ไดีกินเหล้าอันที่ไปกินเหล้าไปสูบุรีไปกินสัตว์เนื้อสัตว์ยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่ mm hmm. มันก็ไม่เอาแล้วมันลูกมันจะเอาได้ยังไงทำให้การศึกษาเพราะฉะนั้นหมูนี่สำหรับผิดชอบรัตนาไต่ก็คือคนนั้นแล้วถ้าถึงคนรัตนาไต่ภายนอกก็มีจันปฐม พรตันตนาใจชั่นอุ ด, ดมจะข่ายในลึกๆหัวใจของทุกชีวิตเข้าให้ถึงนี่ น, นี่มีคุณธรรมไว้ในตัวเราพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจ้าเมตตากรุณนนามีบริสุทธิ์คุณมีปัญญาที่คุณแก่ทุกแก่อะไรให้มันเป็นพระธรรมก็คือสินสมาธิปัญญาให้มีมีความสงบมีความ รอบลู่ในกองสังขารอย่าโง่หลงงมงายเจ่ยทุกข์ให้เป็นอย่าไปโกรธอย่าไปโลดอย่าไปหลงอย่าไปทุกข์รักชาติบ้านเมืองรักพอ่อรักแม่รักครูอาจารย์รักญาติพี่น้องก็คือเราต้องเป็นคนดีความรักแท้ๆคือความเป็นคนดีรักตนนะอยาเป็นทุกข์อยากทำตัวเองให้เป็นทุกข์อยาเป็นคนโง่หลงงมงายเป็นคนเฉลียวฉ ล, ลาดออกจะทุกข์ให้เป็นแต่มีทุกข์มันแล้วรักคือความรัก อยเบียเบียนตนอย่าเปีเบียนคนอื่นนั่นแหละนี่เป็นว่าพระธรรมพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ซะทุกคนมีหน้าที่